คอลัมน์ธรรมจากระกูรูธรรมะใกล้ตัวฉบับที่8ปดถามดูจิตอย่างไรเป็นสมถะอย่างไรเป็นวิปัสนาครับตอบการดูจิตที่ผมแนะนำนั้นจะทําให้เป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสนาก็ได้คือถ้าเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็เป็นสมถะถ้าสามารถจำแนกรูปนามออกได้ก็เป็นวิปัสนาคือจาแนกว่าอันนี้รูป อันนี้นามและนามนั้นก็จำแนกต่อไปได้ว่านี้คือนามเจตสิกนี้คือนามจิตในที่สุดก็จะเห็นจิตเจตสิกรูปแยกออกจากกันต่างก็ทำหน้าที่ของตนไปตามหน้าที่เกิดดับไปตามเหตุปัจจัยของตนของตนล้วนแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนเหมือนกันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ต้องรู้สภาวะที่กำลังปรากฏจริงๆของรูปและนามไม่ใช่แค่รู้ชื่อรู้บัญญัติอันนั้นใช้ไม่ได้เลยครับเช่นความโกรธขุดขึ้นมาก็รู้ทันมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรอะไรเป็นเหตุใกล้ให้มันเกิดก็รู้มันตั้งอยู่แล้วแสดงอิทธิฤทธิ์นันเป็นหน้าที่ของมันอย่างไรก็รู้มันดับไปก็รู้ที่ว่ามานนี้จิตเป็นคนดูเฉยๆนะครับ จิตเหมือนคนดูละครไม่ใช่คนแสดงละครซิเองต่างจากสมถะที่จิตโดดลงไปแสดงเองคือเข้าไปเกาะอารมณ์อันเดียวโดยต่อเนื่อง5กรกฎาคมพุทธศักราช2542สันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมทปราโมชโชในปัจจุบันถามผมมีปัญหาเวลานั่งสมาธิแล้วปวดเข่ามาก เคยปวดจนรู้สึกเหมือนจิตจะถูกบิดขาดเลยเคยอ่านประวัติของพระบางรูปท่านก็ผ่านจุดนี้และมักตัดใจอดทนกันและผมก็เคยเชื่อว่าควรทนไว้ขอความเห็นด้วยว่าเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ครับตอบเรื่องจะนั่งทนจนทะลุความปวดหรือจะเปลี่ยนอิริยาบถนั้นไม่มีข้อยตุติตายตัวหรอกครับมันขึ้นกับจริตนิสัย และกรรมฐานที่ถนัดมากกว่าบางคนต้องปฏิบัติในแนวทางที่ลําบากเช่นพิจารณากายและเวทนาบางคนปฏิบัติในแนวทางที่สบายเพราะพิจารณาจิตเราจะถนัดอันไหนก็ต้องลองดูว่าทําแนวไหนแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดกิเลสที่เกิดแล้วดับไปกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดกุศลที่เกิดแล้ว เ, เ, เวจเริญขึ้น บางท่านนั่งแล้วเจ็บปวดมากท่านก็อดทนเอารู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายและเวทนาทางกายไปในขณะนั้นเองก็ควบธรรมานุปัสสนาเข้าไปด้วยคือเห็นว่าถ้าจิตกระเพื่อมหวนไหวยินดียินร้ายในกายและเวทนาความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อจิตรู้กายและเวทนาไปจนเต็มที่แล้วบางท่านจิตพลิกเข้ามาในภูมิของสมถะมีปิติสุขขึ้นมา สามารถข่มทุกขเวทนาทางกายลงได้ก็มีบางท่านจิตปล่อยวางความถือมั่นในรูปและเวทนาก็มีส่วนบางท่านเจริญจิตตานุปัสสนาเรื่อยไปกายและเวทนาเป็นส่วนประกอบบางครั้งบางคราวเท่านั้นถ้าทำกรรมฐานลักษณะเนี้ยก็ไม่ต้องทนทุกข์อะไรมากนักมิหนำซ้ำจิตยังวางอารมณ์เข้าสงบพักเป็นระยะระยะไปได้ด้วยอันหนึ่ง การปฏิบ <S an> ัติลำบากและปฏิบัติสบายไม่เกี่ยวกับความเร็วในการรู้ธรรมบางคนทั้งลำบากทั้งรู้ช้าบางคนสบายแล้วรู้เร็วก็มีครับเจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราชส5 4 2สันตินันหรือพระอาจารย์ปราโมทปาโมชโชในปัจจุบันามุงเเืออบััจจต เรื่องแรกแล้วบันกาปิติเออผลพันนา